ในช่วงของการคุยธรรมะอ่า ในขณะเดียวกันเราก็ปฏิบัติธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมที่ที่นี้หมายถึงการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบนั่นจะ นั่งSelavเพื่อที่จะให้ตัวมันตั้งตรงขึ้นมานั่นนี่ เนื้อตัวตั้งตรงนี่พวกเจ้าก็พูดถึงหลังตรงคอตรงนั้นหลังตรงคอตรงน้ำหนักของเราเนี่ยมันจะผ่านกดทับนะผ่านไปยังกระดูกเชิงกรานแล้วกล้ามเนื้อเราจะไม่ได้รับความเครียดที่ เขาเรียกว่าคู้เข้าเข้ามานะคู้เข้าจะนั่งพระเพียบก็ได้แล้วแต่สะดวกเดี๋ยวจะ เพราะอย่างแรกตกถึงเรือนว่างแล้วเรือนว่างถ้าไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีที่นั่งที่นอนเตียงอะไรเลยเนี่ยมันอย่างน้อย นั่งตัวตรงด้วยตัวตรงด้วยอย่าให้หลังงอเพราะว่างอแล้ว เราลึกๆก็คือนึกถึงนั่นแหละนึกถึงคิดถึงแต่คิดถึงอะไรในที่นี้ใน อยู่รอบๆร่างตัวเราเนี่ยที่เราสัมผัสอยู่ในๆมาพบมากระทบตัว แล้วทํานินเคลื่อนเข้าไปในร่างกายของเรานะผ่านทางไหนได้บ้างผ่านทางจมูกนี่เองนะเคลื่อนเข้าไปในร่างกาย แต่มันอยู่คนละบริเวณใช่มั้ยบริเวณๆจมูกเราเนี่ยมันเคลื่อนเข้าไปก็เป็นลม การสัมผัสก็คือลมที่มากระทบนั่นแหละนะก็ให้เราๆเลยก็คือว่าเรามานึก รับรู้ถึงลมหายใจเนี่ยคือที่จุดนี้นะเรามานึกถึงลมหายใจ <Guess. S 1> ไอ้สัมผัสทางด้านหน้านี้น่ะคือเป็นสัมผัสทางกายที่เรารับรู้ได้ทันทีนะคือ ถ้าจะหลับตาด้วยก็ได้นะถ้าจะหลับตา ตำแหน่งตรงนี้เค้าเรียกว่าตำแหน่งเฉพาะหน้าในภายในนั้นตำแหน่ง โอ๊ยจอดรถได้เป็นรายกันมันหน้ามุกมันยาวตลอดทางคืออะไรเนื้อส่วนที่ยื่นออก ยาวบ้างใหญ่บ้างบางคนก็เล็กนิดนึงบ้างนะคือๆเนี่ยหน้ามุกมันใหญ่มากหรือว่าอยู่ นี่ไอ้ตรงมุกคือจมูกของคนเรามันใหญ่เล็กไม่เท่ากันไอ้ตรงนั้นระหว่างที่ลม นะนั่งให้มันมั่นคงหลังตรงคอตรงระลึกถึงลมหายใจเข้าระลึกถึงลมหายใจออกก็คือว่าเวลาที่มันมีความคิดโผล่เข้ามาเอมันก็ไป ตัวตั้งที่มันเป็นอย่างงี้เดี๋ยวมันเป็นรู้ต้องมีที่ตั้งของจิตไงที่ตั้งของจิตในที่นี้เราก็พูดถึงลมหายใจให้ลมหายใจเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของจิตนั่นเองก็คือ ลมหายใจนะอนาปานกิโลมหายใจก็ลมหายใจออกใช่มั้ยสติคือความระลึกได้นะเรามาถึงนึกถึงลมหายของเราเราลึกถึงนึกถึงลมหายใจของเราในที่นี้คือเราก็มันอาจจะไปถึงเรื่องอื่นนึกถึงระลึก อ่าแต่ก็เมื่อเรารู้ได้มาหลายโอ้ตอนนี้ฉันต้องมานึกถึงลมหายใจแล้วแล้วก็วางสิ่งนั้นซะนะวางสิ่งที่เรา ในร่างกายกับบังลมปอดอะไรต่างๆก็ก็ปรับสภาพตามนับ 1 นับ 2 ให้เข้าเต็มปอดอะไรนั่นไม่ โดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือในที่นี้คืออานาปานสติ เป็นจิตที่มีสมาธิละเป็นจิตที่ตั้งมั่นโดยชอบละ รู้ลมนี้ลืมตา